เจริญพรท่านดรวิวัตรสา ร, รยกรรมธรรัฐธนทรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านประสิทธิ์ปทุมารักษ์นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฒนาคนปรปฐมท่านด็เตอรวีรัตปิ่นแก้วอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชภัฒนาคนครปฐมท่าน ขณาจารย์และท่านภูมิเกียรติทุกท่านเมื่อเราได้มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกันถึงศาสตราชาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการขบคิดเพื่อหาทางในการพัฒนาประเทศเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการจุดประกายความคิดในสังคมไทยให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้กระทำไว้แก่สังคมไทยได้พัฒนาพาให้ประเทศชาติมาถึงจุดนี้ และถ้าหากว่าเราอยากจะให้ก้าวต่อไปประเทศของเราก้าวต่อไปก็คงจะต้องใช้เวลาในการตกผลึกสิ่งที่พระองค์ได้ทำได้คิดเอาไว้เพื่อมาเป็นแนวในการพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปและไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้กระทำ แล้วก็จะสำเร็จเพราะเรื่องที่พระองค์ทำไว้ใหญ่มากจึงต้องมีมุมมองจากหลายภาคหลายส่วนด้วยกันเวลาเราพูดถึงศาสต ร, ราชาเหมือนกับว่าพูดในมุมไหนตรงไหนมันก็ใช่ทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นงานทั้งชีวิตของพระองค์ท่านถ้าหากว่าเราดูภูเขา ภูเขายิ่งใหญ่เมื่อมันอยู่ใกล้ๆเราจะปีนขึ้นไปและมันสูงแต่สังเกตไหมว่าถ้าหากว่าเรานั่งรถหันหลังให้ภูเขาแล้วขับรถหนีมันไปเนี่ยไปไกลๆนะสักครึ่งชั่วโมงแล้วหันไปมองภูเขาก็ยิ่งสูงขึ้นและดูมันจะใหญ่กว่าที่เราไปอยู่ใกล้ๆซะอีก เขาเปรียบเหมือนมหาบุรุษเหมือนบุคคลที่ยิ่งใหญ่เวลาที่เราอยู่ร่วมสมัยมีชีวิตร่วมกันก็ดูยิ่งใหญ่นะเหมือนเราเห็นภูเขาอยู่ใกล้ๆแต่พอการเวลามันผ่านไปท่านล่วงลับไปเนี่ยยิ่งล่วงเลยไปนานขึ้นความยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นของบุคคลนั้นเน่เหมือนเราเดินหนีภูเขาภูเขามันก็ยังสูงอยู่ สูงยิ่งไปขึ้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไม่ได้ลดความสำคัญไปตามกาลเวลายิ่งเวลาล่วงเลยผ่านไปกลับจะมีเรื่องเล่ามีตํานานเพิ่มเข้าไปอะไรที่เราไม่เคยรู้เกี่ยวกับบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยที่ท่านมีชีวิตอยู่มันก็ค่อยๆเพิ่มเข้ามา ในส่วนที่เป็นสาระบ้างเป็นตำนานบ้างจนกระทั่งบางทีกลายเป็นปาฏิหาริย์สมัยรัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก็คงยิ่งใหญ่มากสำหรับคนในยุคนั้นแต่พอมาถึงยุคเราไม่ใช่ยิ่งใหญ่ธรรมดาเป็นเสด็จพ่อรห้าเป็นเหมือนเทพขึ้นไปละ และบางทีเราก็แยกไม่ออกระหว่างสิ่งที่เป็นแก่นของประวัติศาสตร์จริงๆกับสิ่งที่เป็นความเชื่อที่เราใส่เข้าไปและก็เชื่อว่าปรากฏการณ์สากลนี้ก็จะบังเกิดแก่รัชกาลที่เกาในยานที่พระองค์ยังทรงมีพระชนชีพอยู่ความยิ่งใหญ่เราก็ทราบแต่พาะนานวันล่วงเลยไปเนี่ย เอกความยิ่งใหญ่ทั้งเรื่องชีวิตของโอลคําสองครงมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่ทําอะไรไว้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักวิชาการที่อ้างอีกได้เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะผสมผสานกันจนยิ่งใหญ่เกินที่จะไปแตกเพราะฉะนั้นการเวลาที่ผ่านมานี้ก็มีความสําคัญที่เราจะต้องมาคิดให้มันตกผลึกว่า ศาสตร์พรระาชาของพระองค์มีมุมมองที่จะต้องทําความเข้าใจในแก่นแท้เรื่องอะไรบ้างในฝ่ายพระศ า, ศาสนาตมาก็พยายามทำในเรื่องนี้อยู่พิมพ์เป็นหนังสือก็มีเรื่องศาสตร์พรระาชาแล้วก็พยายามที่จะทําทความเข้าใจวิธีไม่ใช่วิธีทํางานนะวิธีคิดของพระองค์ท่านทรงคิดอย่างไรทรงทําอะไรแล้วรวมประมวลวิธีคิด วิธีปฏิบัติของพระองค์เนี่ยมาเป็นองค์ความรู้ให้เราเดินตามเรียกว่าศาสตร์พระราชาก็เริ่มจะทำในพระในคำที่เกี่ยวข้องคือคำว่าพระราชาพระราชานั้นโดยคำนิยามในทางศาสนาที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือบุคคลที่ทำให้คนอื่น พึงพอใจโดยธรรมคนที่จะเป็นพระราชาเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นําแล้วสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ตามไม่ใช่โดยวิธีอื่นแต่โดยธรรมะเพราะฉะนั้นโดยคํานิยามจึงเกี่ยวข้องกับสร้างความพึงพอใจ โดยความถูกต้องโดยรีงามโดยธรรมะอันนี้ก็คือศาสตร์อนนี้คือพระราชาก็หมายความว่าเราสามารถที่จะน้อมนำสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยเพื่อสร้างความสุขความพึงพอใจแก่ประชาชนเนี่ยมาใช้กับผู้นําทั้งหลายผู้นําผู้ใช้อานาจผ่านนิติบัญญัติบริหารตุลาการในนามของพระองค์ท่านเนี่ยรวมถึงข้าราชการเนี่ย ก็จะต้องสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่ประชาชนด้วยวิธีการอันชอบธรรมและเป็นธรรมะศาสตร์พระราชาจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องแอปพลายคือนำมาประยุกต์เพื่อการ น, นี้ต่อไปและทีนี้เวลาที่เราจะขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติในฐานะผู้นำเนี่ยก็อย่าไปอาศัยแต่อำนาจที่เกิดโดยตำแหน่งอย่างเดียว เพราะอำนาจที่เกิดโดยตําแหน่งเนี่ยมันไม่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาได้ถ้าคนไม่เต็มใจถ้าคนไม่มีความจงรักภักดีหรือซื่อสัตย์ต่อผู้นําฉะนั้นมันจะต้องอาศัยสองอย่างด้วยกันอย่างราชการที่ก้าทรงมีทั้งอํานาจโดยตําแหน่งที่เราเรียกว่าราชอํานาจแต่ในขณะเดียวกันทรงเป็นศูนย์รวมของ จิตใจของพระสกฆนิกรทั้งปลุกด้วยพระบารมีของพระองค์เพราะพระองค์ใช้ราชธรรมกํากับราชอํานาจมันจึงเป็นที่รักเป็นศูนย์รวมใจเมื่ อ, อรวมเอาสองส่วนเนี่ยมันเป็นตายเป็นอํานาจที่สมบูรณ์ที่เราจะไม่ค่อยได้เห็นว่าคนในคนคนเดียวกันจะมีอํานาจล้นฟ้าขนาดนั้นแต่ก็ทรงใช้อํานาจอยู่ในขอบเขตแห่งราชธรรมดังที่ เราได้ยินในเรื่องทศพิษราชธรรมนั่นเองราชธรรมกำกับการใช้ราชอำนาจและเพื่อเพื่อจะสร้างความพึงพอใจให้กับพระสพนิกรยแก่ประชาชนนั่นแหละในพระประถมบรมราชาองค์การพระองค์จึงประกาศว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำว่าโดยธรรมนี่แหละที่จะสร้างความพึงพอใจ แต่ความพึงพอใจเกิดขึ้นจากประโยชน์สุขของประชาชนของมหาชนในช่วงที่พระองค์ได้มาเป็นประมุขของชาติไทยเนี่ยตั้งแต่ 2,490-8990 มาจนถึงเรียกว่า70ปีที่ทรงครองราชกษัตริย์ได้พลิกโฉมประเทศไทยชนิดที่ธนาคารโลกนี่ ในปลายราชการของพระองค์นี่ประกาศยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินีให้ขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นในปี 2,554 อันนี้ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนเนี่ยที่ตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นคลองราดเนี่ยบางทีเราด้อยกว่าเขาด้วยซ้ยาไปนะแต่พอผ่านมาตลอดรัชการของพระองค์นี่ ประเทศไทยรุดหน้านำหน้าจนกระทั่งธนาคารโลกประกาศในปี 2,554 ยกระดับการพัฒนาประเทศของเราไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเราเรียกว่าเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income Countries) ซึ่งธนาคารโลกได้แบ่งระดับของการพัฒนาประเทศในโลกนี้เป็น4กลุ่ม กลุ่มที่พัฒนาสูงสุดคือกลุ่มที่หนึ่งประเทศที่มีรายได้สูง high income country ซ, ซึ่งเราในอาเซียนก็มีสิงคโปร์อยู่ประเทศหนึ่งนอกนั้นก็เป็นสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นต้นประเทศไทยเราเมื่อหกปีที่แล้วขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่สองประเทศที่มีรายได้ปลาย่างระดับสูงก็คืออย่างเช่นรัสเซียจีนเป็นต้น เราทิ้งเพื่อนบ้านในอาเซียนนะฮะยกเว้นมาเลเซียมานอยู่ในกลุ่มเดียวกับเรานอกนั้นในอาเซียนยังอยู่ในกลุ่มเดิมกลุ่มที่สามก็รายได้ปานกลางระดับล่างนะและที่ต่ำสุดคือรายได้ต่ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าทางธนาคารโลกถือว่าเป็นเรื่องยากมากที่ในรุ่นอายุเจเนเรชันเดียวเนี่ยประเทศจะสามารถยกระดับได้ขนาดนี้ ประเทศนั้นเอนี่ ย, ยังยังยังมีปัญหายังทำไม่ได้ถามว่าอะไรที่เป็นตัวแปรให้เราต่างจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเราขับเคลื่อนประเทศมาสู่จุดนี้ก็คือความโชคดีที่เราได้พระประมุกของประเทศอย่างรัชกาลที่เกาที่สร้างเสถียรภาพ stability เนี่ยมันก็เกิดความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งแล้วก็จะยั่งยืนต่อไปถ้าเรานำเอ า, าศาสตร์พระราชาของพระองค์เนี่ย มาขับเคลื่อนประเทศต่อไปรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยตั้งวิสัยทัศน์วิชันว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะขึ้นไปสู่ระดับประเทศอันดับหนึ่งรายได้สูงโดยใช้โมเดลในการพัฒนาที่เรียกกันว่า Thailand 4.0 Thailand 4.0 แคือแบบในการพัฒนาประเทศที่จะยกขึ้นไปสู่กลุ่มที่1 นะอันนั้นคือนโยบายของชาติแต่ถามว่าในการที่เราจะขับเคลื่อนไปสู่กลุ่มที่หนึ่งให้มีไรายได้สูงไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมันมีศาสตร์พระราชาอยู่ตรงไหนเราจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานให้เป็นเนื้อเป็นตัวเหมือนกับที่เรากำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ5ปีเนี่ยว่าจะมีะะมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนหลัก มีศาสตร์พระราชาเนี่เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วมันอยู่ตรงไหนในไทยแลนด์ 4.0 เป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเรานะถ้าเราไม่สามารถจะบูรณาการสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาสิ่งที่พระองค์ได้ทำไว้ตลอดเวลา70ปีที่ยกประเทศไทยให้ขึ้นมาระดับสองเนี่ยแล้วเราจะไปสู่ระดับที่1เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียก บ, บุญเก่ามีศาสตร์พระราชามีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวขับเคลื่อนต่อไป เพราะฉะนั้นก็มาตั้งคำถามว่าเราจะทาอย่างนั้นได้อย่างไรในเรื่องของศาสต ร, ร์พระราชาที่ว่านี้เนี่ยแนวความคิดมามีมาแต่สมัยเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วคือพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ยได้ประกาศไว้ในจารึกอโศกสำหรับพระราชาทั้งหลายเป็นต้นแบบนะในศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกว่า พวกอำนาจยศหรือแม้กระซั่งทรัพย์สินเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยนะเมื่อเราได้มาแล้วมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ใช้เพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นก็คือในภาษาพระเจ้าอาโศกก็คือบูชาพระธรรมเราบูชาพระธรรมคือความถูกต้องดีงามก็รวมประโยชน์สุขของมหาชนอยู่ตรงนั้น ยศซัพย์อำนาจไม่ใช่เพื่อความรุ่งเรืองมั่งคั่งความพึงพอใจของผู้นําของพระราชาหรือของผู้มีอำนาจเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นไปเพื่อความดีงามพระราชาหรือผู้ปกครองที่ทําเช่นนั้นเรียกว่าธรรมราชาธรรมราชาจะมีสองความหมายซึ่งรัชการที่ก้าวทรงเป็นธรรมราชาในความหมายที่หนึ่งทรงเป็นธรรมิกราชแปลว่าพระราชา ผู้ประพฤติทศพิตราชธรรมหรือธรรมสิบประการซึ่งก็หมายถึงศีลอะไรอยู่ในนั้นหมดและประการที่สองทรงเป็นธรรมมาที่ประไตหมายความว่าไม่เอาความเห็นความประโยชน์สุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแต่เอาประโยชน์สุขของประชาชนของพระสงนิกรยเป็นเป้าหมายใชราชธรรมกำกับการใชพระราชอำนาจซึ่ง แรงจูงใจของธรรมมาธิปไตยจะต่างจากเผด็จ ก, การต่างจากผู้ใช้อํานาจทั่วไปผู้ใช้อํานาจเชิญเผด็จ ก, การหรือใช้อํานาจทั่วไปนั้นใช้เพื่อสนองความสุขความพึงพอใจส่วนตนเราเรียกว่าเป็นอธิปไตยถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองจะต้องได้บริหารแบบนั้นเขาเรียกอัตาตาธิปไตย มีตัวเองเป็นศูนย์กลางและคนไหนก็ตามที่คิดว่า อ, าอยู่ได้เพราะเอาใจทุกฝ่ายทุกคนให้มอบมากดดันให้คนนั้นคนนี้มาบีบแล้วถึงจะต้องทำหรือจะอยู่ในอำนาจได้มีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้เนี่ยนะเราเรียกโลกาทิปไตยคนอื่นเป็นใหญ่มันก็ไม่มีจุดหมายปลายทางเพราะว่าสังคมมันจะเป็นจับปูใส่กระดง้งในประเภทที่สองในประเภทที่1 น, นั้น ถูกต้องคือถูกใจผู้นํามันก็ไปในทิศทางที่ไม่เป็นประโยชน์สุขแก่มหาชนส่วนประเภทที่สองโลกาธิปไตยเป็นแรงจูงใจนี่ก็เอาใจทุกฝ่ายทุกคนโดยที่ประเทศชาติอาจจะย่อยยับก็ได้เพราะสร้างดาวคนละดวงส่วนที่ถูกต้องดีงามเราเรียกว่าธรรมมาธิปไตยเป็นแรงจูงใจเอาความถูกต้องอย่างพระเจ้าอโศกบอกว่าบูชาพระธรรมคือตรงนี้ เอาความถูกต้องเอาความดีงามของส่วนรวมทุกฝ่ายยกระดับไปด้วยกันและมีธรรมะกำกับอยู่ในใจเราเรียกว่าธรรมมาทิปไตยแน่นอนว่าพระเจ้ า, ารัชการที่9ทรงเป็นธรรมมาทิปไตยไม่ทรงเป็นอัตรตาทิปไตยแม้ระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเรียกร้องให้พระองค์ใช้มาตราเจในการพระราชทานนายกเนี่ยก็ไม่ทรงทำเพราะไม่ทรงเป็นอัตตาธิปไตย ทรงเป็นธรรมมาธิปไตยคือความถูกต้องดีงามดังนั้นเวลาที่เราตามรอยเออท้าพ่อเนี่ยเราอย่าทำงานแบบอัตราทิปไตยกรอบใหญ่ก็คือเราสลักอัตราทิปไตยที่เวลาทำงานใดก็ตามเนี่ยจะหาผลประโยชน์เข้าข้างตัวเราเป็นหลักเราต้องได้เขาต้องเราต้องชนะเขาต้องแพ้เราเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบวินลถ้า อีกแบบหนึ่งก็คือคนอื่นได้หมดแต่เราไม่ได้เลยก็เป็น loose win ก็คือเอาใจไปสารพัดแต่ในที่สุดส่วนรวมก็ไม่ได้มีแต่คนแย่งกันเอาไปาไปตรงนั้นตรงนี้เอาผลประโยชน์ไปแม้กระทั่งจะห า, าประโยชน์ใดก็ไม่เกิดเพราะว่าทุกคนแบ่งเทคกันหมดแล้วส่วนรวมย่อยยับสิ่งที่เราต้องการก็คือ win win situation ที่มัน มันสามารถเอาส่วนรวมประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้งประโยชน์มันมีสมอย่างหนึ่งอั ต, ตถะประโยชน์ของเราสองปรัชญาประปโยชน์คนอื่นสอุปยถาประโยชน์ส่วนรวมธรรมาธิปไตยเน้นประโยชน์ส่วนรวมของเราของเขาถ้าท่านเน้นประโยชน์ส่วนตนมันเป็นข้อหนึ่งเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาถ้าท่านเน้นข้อสองปรัชญาประโยชน์คน อ, อื่นมันก็เป็นโลกาธิปไตยซึ่ง มันทำคำว่าโลกาทิ ป, ตปไตยแปลว่าคนอื่นเป็นใหญ่แต่มันไม่ถูกต้องถูกต้องและก็คือข้อที่สธรรำมาที่ประทายเพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปงานของในหลวงรัชกาลที่เพระองค์ไม่ได้ทําตามอําเภอใจจะใส่ใจสุขทุกข์ของประสบนิกรของคนส่วนใหญ่และนั่นแหละจึงทําให้เห็นว่าพระองค์ทรงงานแบบธรรมมาทีปไตย อันเป็นที่มาของศาสตร์พระราชาฉะนั้นศาสตร์พระราชาต้องอยู่บนฐานของธรร ม, มาที่ประายเป็นแรงจูงใจในการขับเคลื่อนทั้งปวงและมันจะหาจุดที่พอดีเพราะเอาทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเราเรียกในเชิงธรร ม, มาพิบาลก็คือ participation การมีส่วนร่วมนะและการมีส่วนร่วมมีความรับผิดชอบมีความโปร่งใสมันจะทาให้เกิด เ, เรียกว่าธรร ม, มาพิบาลธรร ม, มาธิปไตยนี่เอง ฉะนั้นศาสตร์พระาชาหนีธรรมมาที่ปไตยหนีธรรมมาพี่บาลไม่ได้ทีนี้ถ้าเราจะมาสรุปงานทั้งชีวิตของพระองค์เนี่ยเราเองอาจจะได้ก็คนละจุดสองจุดแต่มันมีองค์กรระดับโลกเรียกว่าสหาประชาชาติที่ได้ถวายทุนถวายรางวัลเรียกว่าไลฟ์ t ไ m e ์อะช e v เมนต์ความสำเร็จตลอดชีวิตของพระองค์เนี่ย เรื่องอะไรเป็นเรื่องสำคัญและนั่นเป็นการสรุปงานทั้งชีวิตเราก็คงต้องอาศัยองค์กรระดับโลกที่เมื่อพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยเขาประชุมพิเศษเพื่อประกาศสดุดีในใ น, ในสหประชาชาติเนี่ยแด่พระองค์ท่านนั่นก็คือการที่ เ, เลขาธิการสหประชาชาติท่านโคฟีอ น, นันต์เนี่ยนรางวัลเรียกว่า l i ไ e ฟไทอาชีพ e ม m e n t มาทูนเจ้าถวายในปี 2,549 ถ้านับปีก็คือคลองราชได้60ปี60ปีที่คลองราชเนี่ยพระองคอ์ได้ทำงานเนี่ยอาจจะหลายเรื่องหลายอย่างแต่ององค์องค์ง ก, งการสากลธรรชาติถวายรางวัลที่เรียกว่า human development ก็คือการพัฒนามนุษย์ สิ่งที่พระองค์ทำนี่เราอาจจะศาสตร์พระราชาอาจจะไปบอกว่าทำฝนหลวงทำเรื่องแหล่งน้ำทำเรื่องแพทย์เรื่องอะไรต่างแต่ในมุมมองของ UN เนี่ยไม่ว่าในหลวงทำอะไรก็ตามและจการที่ทําทำอะไรก็ตามเนี่ยเป็นไปเพื่อมนุษย์เพื่อการพัฒนาคนคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา uh, Man อ s a center of development มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา จ, นจึงถวายรางวัล human development ทีนี้โคฟีอนันได้ประกาศยกย่องในการถวายรางวัล น, นั้นว่าในหลวงราชการที่9ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา development king เพราะทรงถืออบคนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานั่นคือมนุษย์เป็นตัวตั้งของการพัฒนาหัวใจของการพัฒนา อยู่ที่คนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่9กาเนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่เอามนุษย์เอาคนเป็นเซนเตอร์เป็นศูนย์กลางจึงไม่ล้าสมัยไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปในอนาคตอย่างไรแต่มนุษย์ซึ่งเป็นจุดของการพัฒนายังจะต้องเป็นหัวใจของการที่เราคิดถึงศาสตราชาต่อไป หัวใจของการพัฒนาจึงอยู่ที่สโลแกนที่เราใช้ในเรื่องแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผ่นดินธรมแผ่นดินทองที่เราเคยบูมสมัยหนึ่งในรัชกาลของพระองค์เนี่ยมันมันก็คือ งานที่พระองค์ท่านได้ทํามุ่งพัฒนาคนคนนั้นจะต้องพัฒนาในมิติไหนบ้าง เ, าเรื่องอะไรบ้างนั่นแหละที่กระจายทําให้ศาสตร์พระราชาเนี่ยมันมีรอบด้านจับตรงไหนก็ถูกเพราะมันเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนเมื่อเราเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนเนี่ยมอมเคิร์กลิดปราโมทได้ตั้งคําถามสมัยท่านเป็นอดีตนายกเนี่ยท่านตั้งคําถามว่า รัชการที่1โปรดคือชอบทหารเพราะอยู่ในช่วงรบทัพจับศึกรัชการที่สองโปรดกรวีอย่างทรงพระนิพนธ์วรรณคดีต่างๆมากมายรัชการที่สโปรดการสร้างวัดผู้สร้างวัดถามว่ารัชการที่9ลาโปรดอะไรนี่คือคําถามของหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมทซึ่งใต้ชิดพระโองค์ท่านและ หม่อมคึก่อสก็ตอบเองว่าโปรดการพบปะประชาชนในหลวงราชการที่9โปรดในการที่เสด็จแปรพระราชฐานออกนอกวางไปเยี่ยมประชาชนที่นั่นที่นี่ตรงนั้นตรงนี้จนฝรั่งบางคนถามว่าในหลวงคุณไม่มีวางหรืออย่างไรเดี๋ยวก็ไปอยู่นูน่นไปอยู่นี่แต่ที่จริงเนี่ยพระองค์มีความสุขที่ได้พบปะสนทนากับประชาชนถามปัญหา ถามความต้องการพร้องเขาแล้วเสด็จตลอดเวลาออกนอกพระราชวังจึงทำให้พระองค์เนี่ยได้ปัญญาได้ความรู้ว่าจริงๆประเทศไทยต้องการอะไรคนไทยขาดอะไรเพราะจึงทำให้พระองค์เนี่ยได้นำเสนอศาสตร์พระราชาในการที่จะแก้ปัญหาพัฒนาสังคมไทยโดยสรุปแล้วศาสตร์ของพระองค์เป็นพัฒนาศาสตร์ เป็นศาสตร์เพื่อการพัฒนามนุษย์พัฒนาประเทศโดยอมนุษย์เป็นศูนย์กลางแห่งแห่งการพัฒนาในการพัฒนามนุษย์เนี่ยคำสำคัญอยู่ที่ empowerment แปลว่าช่วยคนให้ช่วยตัวเองนี่คือคีย์เวิร์ดเวลาที่เราพัฒนาที่พระองค์พัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ากินนะมันเป็นน้าให้คนไปทนานาเพราะฉะนั้นชาวนาจะต้อง ช่วยตัวเองคือขยันทำนาเมื่อทรงที่จะให้มีเรื่องสาธารณสุขเรื่องไหนก็ตามหรือเรื่องการศึกษาคนที่จะใช้การศึกษาพัฒนาต้องมาเรียนหนังสือในหลวงไม่ได้เรียนแทนเราแม้จะทรงประสาทปริญญากระทำซึ่งสอดคล้องกับภาษิตจีนเขาบอกว่าถ้าท่านเอาปลาไปให้คนจนท่านจะมีปลากินเพียงวันเดียวเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียว แต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาให้คนจนเนี่ยนะเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตฉะนั้นเอ็มพาวเวอร์เมนต์คือไปพัฒนาให้เขาสามารถจับปลาได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้และนั่นก็สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตุมเหหิกิจจังอาตปังอักขาตาโรตถาคตาท่านทั้งหลายต้องลงมือทำเอง พระตถาคตเจ้าเป็นแต่ผู้เอียงผู้ชี้ทางในหลวงก็ทรงทำหน้าที่ผู้ชี้ทางบอกสังคมไทยว่าเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะทางที่พระองค์ชี้ไวนะ้มีอยู่แล้วแม้วันนี้พระองค์จะหาไม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแผนที่เดินทางให้เราเดินไม่มีคนบอกทางเพราะฉะนั้นถึงจะพระองค์จะเสด็จสู่สวรรค์าลายัย สิ่งที่พระองค์ได้ชี้ทางได้บอกได้แนะไว้เรียกว่าศาสตร์พระราชานั้นยังคงอยู่แต่เราจะต้องมาสรุปประมวลขั้นตอนให้มันเหมาะที่จะเดินต่อไปบางทีศาสตร์พระราชาอาจจะมีความซับซ้อนมีคอมเพล็กซิตี้แต่ภาษา จ, จีนเขาบอกว่าระยะทางหมื่นลี้มันต้องมีเก้า9แรเก้าที่เราจะเดินเนี่ย พัฒนาตัวเองเนี่ยไปสู่เส้นเป้าหมายนั้นเนี่ยมันตรงไหนอย่างไรอา่าก็เป็นเรื่องที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปาศาสตร์พระราชากําหนดขั้นตอนเนี่ยที่อาตมาสรุปเนี่ยให้เราเดินเนี่ยมันมีเราจะช่วยกันตรงไหนก็ได้ช่วยกันพัฒนาในสเรื่องหรือขั้นที่หนึ่งที่ขาดก็เติมให้เต็มขั้นที่สองที่เต็มให้รู้จัก พอสามที่พอให้รู้จักแบ่งสี่ที่แบ่งต้องให้เป็นธรรมงานทั้งชีวิตของพระองค์ก็อยู่ในกรอบสี่เรื่องขาดตรงไหนไปเติมตรงนั้นเก่าให้ถูกที่คันและบางทีเนี่ยคนเนี่ยให้เท่าไหร่ก็ไม่พึ่งตนเองไม่รู้จักพอเพราะมันขาดข้อที่สองมีก็ไม่รู้จักพอ คนจนมีสองประเภทหนึ่งจนเพราะไม่รู้ไม่มีสองจนเพราะไม่รู้จักพอความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การต้องคิดอ่านแก้จนเป็นคนพออันนี้ข้อที่สองพอแล้วต้องรู้จักแบ่งในสมัยราชการที่สิบได้พัฒนาข้อนี้เป็นจิตอาสา จิตอาสาต้องมาจากคนที่รู้จักแบ่งที่รู้จักให้และในการแบ่งการให้นั้นต้องเน้นความสามคัคคีรู้รักสามคัคคีอย่าลำเอียงอย่ามีอคติจนทำให้เกิดความแตกแยกเพราะไม่เป็นธรรมในกลุ่มที่หนึ่งที่ขาดเติมให้เต็มเนี่ยในหลวงรัชการที่เก้าทรงทราบว่า สังคมไทยขาดอะไรเพราะพระองค์นั้นลงไปถึงพื้นที่สเสด็จออกนอกพระราชวังปีหนึ่งหนึ่งเน่อย่างที่ได้มีการบันทึกเอาไว้เนี่ยสำนักละะเลขาจเลขาธิการบันทึกไว้มีอยู่ปีหนึ่งเสเด็จออกปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเนี่ยปีละ500ถึง600ครั้งท่านลองคิดว่าปีหนึ่งเนี่ยมีกี่วัน500ถึงครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่วังเลยอะ่ะ ระยะทางตั้ง 25,000 ถึง 30,000 กิโลเมตรยามที่ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยส ม, มู์แข็งแรงปฏิบัติพระราชกรกิจอย่างนี้และเราจะไม่เรียกว่าในหลวงทรงงานหนักได้อย่างไรและเมื่อไปไหนก็ตามก็เข้าถึงรากหญ้านะเพราะมีความสุขที่ได้พบประชาชนทรงสนทนาถามถึงปัญหาสามถึงอะไรต่างๆจึงทำให้เกิดพระราชดาริ ที่ขาดเติมให้เต็มในสังคมไทยเรามีขาดในเรื่องอะไรสำหรับชาวบ้านน่ะมันก็ปัญหาคลาสสิกนะเขาเรียกปัญหางูกินหางคือความโง่ความจนและความเจ็บไข้จับตรงไหนมันถูกทั้งนั้นแหละโง่เพราะไร้การศึกษาเมื่อไม่มีการศึกษามันก็ยากจนจนแล้ว อ, อ, อยู่อย่างไม่สุขสุขภาวะสุขลักษณะมันก็เจ็บ เจ็บแล้วไอคิวมันก็แย่มันก็โง่ก็จนก็เจ็บเพราะฉะนั้นเมื่อประมวลมาแล้วเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องโง่เรื่องจนเรื่องเจ็บเนี่ยมันแก้ไม่รู้จบและก็จะมีเทคนิควิธีการขั้นตอนต่างๆมากมายในโครงการพระราชดำริสิ่งแรกที่พระองค์ประสบในโครงการพระราชดำริเนี่ยเนยเื่องจากแปรพระราชฐานไปอยู่ที่วังไกลกังวลนะเพราะฉะนั้นก็จะเสด็จออกไปใกล้ๆแล้วก็ไปที่วัดห้วยมงคล แล้วในช่วงนั้นมันคลุกระกันดานมากรถไปติดลมอย่างที่ท่านเห็นในภาพใน2495ชาวบ้านก็มาช่วยเข็นนะมาช่วยเข็นรถไม่รู้ลง เ, เป็นรถในหลวงพอช่วยเข็นเสร็จเอาจำได้เนี่เป็นในหลวงในที่สุดในหลวงก็ถามชาวบ้านว่าต้องการอะไระชาวบ้านที่ห้วยมงคลก็บอกว่าต้องการถนนเพราะว่ามีผลผลิตทางการเกษตรออกไปขายที่หัวหินไม่ได้ ในหลวงจึงให้ทหารเนี่ยไปช่วยสร้างถนนที่ไปวัดห้วยมงคลในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกแก้ปัญหาความยากจนของประชาบ้านหลังจากนั้นก็ทรงทำโครงการในพระราชดำริอีกมากมายสรุปในปี2556นะมีผู้สรุปประเภทไว้นะ4ี่พ่อโครงการ ถ้าท่านดูในทั้ง8กลุ่มเนี่ยมันจะเน้นในเรื่องแก้กปัญหาความยากจนเป็นอันดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําการเกษตรสิ่งแวดล้อมส่งเสริมอาชีพเนี่ยเป็นเรื่องของความยากจนแล้วก็มาเรื่องของเจ็บไข้คือสาธารณสุขมีเรื่องของการศึกษาการสื่อสารเนี่ยไหมข้อหข้อเแล้วก็มาแบบบูรณาการผสมผสานเพราะฉะนั้นปัญหาคลาสสิกที่ ทรงประสบพบเห็นในชีวิตของพระองค์นี้ก็ประมวลวิธีการต่างๆเป็นโครงการมากมายอย่างที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ว่าจับเรื่องอะไรก็มามันก็อยู่ในสามประเด็นที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาของชาวบ้านคือโง่จนเจ็บอย่างโครงการฝนหลวงก็เป็นเรื่องของแก้ปัญหาความยากจนเพราะฝนมันไม่ตกแต่ถ้าเรามาติดอยู่แต่โครงการฝนหลวง เราจะไม่รู้ว่าจริงๆเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแหล่งน้าอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องเอกรรษตรมันเป็นเรื่องคนเป็นเรื่อง empowerment ทำให้คนนี่เข้มแข็งชึ้งพึ่งตัวเองได้และมันก็เกิดโครงการมากมายอย่างที่กล่าวมาฉะนั้น เ, เราเรียนศาสตร์พระราชาเนี่ยเราก็ต้องมาประยุกแม้ว่าพระองค์จะไม่ได้พูดตรงๆแต่เราสามารถจะดึง คำสอนของพระองค์มาจาก3เรื่อง1นึ่งทรงสอนให้รู้ที่เป็นพระบรมราโชวาตเป็นคำแนะนำอะไรต่งตางๆเนี่ยเราก็เอามาประมวลเป็นาศาสตร์พระราชาทรงทาให้ดูอย่างเช่นโครงการตามแนวพระราชดำริและก็ทรงอยู่ให้เห็นเราเรา เ, เราไปเท่าเฝ้าเนี่ยในหลวงอยู่ยังไงไปวางสวนจิตไปดูในสมัยนั้นเราก็โอ้ในหลวงเป็นอย่างนี้นะราชการที่9้าเนี่ย สอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นเป็นซอสเป็นแหล่งข้อมูลทั้งหมดเลยของศาสตร์พระราชาฉะนั้นสิ่งที่พระองค์สอนให้ดูนี่เป็นพระราชนิพนธ์ก็มีคนไทยน่าจะต้องมีพลังมีความมีปัญญามีความเพียรที่บริสุทธิ์ลุกขึ้นมาช่วยตัวเองมีการศึกษาแก้งโง่จนเจ็บตามแนวแห่งพระราชนิพนธ์เรื่องมหาชนก อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์อยากจะมีพระราชนิพล์เรื่องนี้แล้วต้องการจะสื่ออะไรสื่อให้คนนีเข้มแข็งให้มีความเพียรสู้สิ่งยากและเอาชนะความโง่ความจนความเจ็บด้วยตนเองแม้ว่าจะมีเทวดามาช่วยนะพระมหาชนกไายน้ำเจ็ดวันเจ็คืนเนี่ยเทวดาช่วยคนที่ช่วยตัวเองไม่ใช่นอนบนบานสารกล่าวไหวอยู่แล้วเทวดาจะมาช่วยนะ ถ้ามาหาชนกไม่ไหวน้ำเจ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยจมน้ำตายไปแล้วะฉะนั้นสิ่งที่โปรงต้องการจะสื่อเนี่ยคื อ, อเรื่องของสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นที่เต็มให้รู้จักพอในขั้นของ empowerment ทำให้คนแก้ปัญหาได้เนี่ยมันยังไม่จบนะเพราะว่ามันยังรู้สึกว่าคน ถ, ถ, ถ, ถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอะ่ะเพราะฉะนั้น และบางทีก็ไปเป็นหนี้เป็นสินเขาเศรษฐกิจของเราเป็นโลกต้มยำกุ้งในปี240เนี่ยหากทำให้พระองค์ทรงห่วงใยต้องมาสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักพอมีพระบรมราโชวาทมากมายนะที่เกี่ยวข้องกับเออเออก็เรียกว่าเออความพอเพียงเนี่ยเนี่ยซึ่งเออ เป็นเรื่องที่เราสามารถจะไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้มากมายเนื่องเวลาจำกัดก็จะขอไปอย่างเร็วก็คือสอนมาตั้งแต่ปี2517นอในอโอกาสวันเฉลิมพระชนภรษา2อ1 7ันสิบน่ทนะ่านลองคิดดูว่าในหลวงราชการที่9เนี่ยได้ห่วงใยสังคมและสอนให้รู้จักพอมากี่ปีแล้วเมื่อได้มีการสัมมนาเรื่อง G.N.H. Cross National Happiness ความสุขมวลรวมของประเทศที่ภูตานเนัตอกริย์ออออออออ ข, ของภูตานได้เริ่มแนวคิดเรื่องความสุขเป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศไม่ใช่ G.N.H. เจเ อ, อ G N P, ไม่ใช่ Cross National Product ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศก็ได้พูดกันถึงว่าแม้แต่คิงภูมิพลของประเทศไทย ก็ได้เริ่มไว้ก่อนนั้นแล้วหรือใกล้ๆเคียงกันว่าการพัฒนาประเทศนั้นไม่ได้เน้นไปเรื่องผลผลิตภัณฑ์มวลรวมแต่มันอยู่ที่ความพอใจพอใจคือความสุขเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเศ ร, รษฐกิจพอเพียงท่านลองคิดดูว่าคำว่าพอเพียงเป้าหมายม่อยู่ที่ไหนถ้าท่านเอาเอาวัตถุเป็นตัววัดเอาเงินเอาทองเอาราได้เป็นตัววัดมันก็เป็น GNP ก็คือการวัดด้วยการเติบโตเศรษฐกิจ 3% 4% 5% อย่างที่เราทําทุกวันนี้ซึ่งไม่ได้เป็นหลักประกันของความสุขมวลรวมของคนไทยเพราะบางทีเราเราผลิตสินค้าได้ดีแต่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมทําลายวัฒนธร ร, รมอันดีงามมีการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทําลายวัฒนธรรมไทยเราจึงต้องหันมาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะให้ไปเที่ยวอยุธยาแต่ก็ไปเหยียบ ไปเหยียบกำแพงวัดชัยวัฒนารามพังอีกนะมันมันจึงถามว่าความสุขความพอดีเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ใช่วัตถุความพอเพียงเนี่ยดังนั้นเราจะต้องถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าเต็มให้รู้จักพอเนี่ยอย่างไรนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่านักทีตัณหาสมาณาทีแม่น้ำเนี่ยมันมีวันเต็ม แต่ความอยากความโลภมันไม่มีวันเต็มแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีและถ้าเราอยู่ยังพอเพียงเนี่ยนะก็จะเหมือนที่มหาตรรมคานทีท่านบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนองความต้องการของมนุษย์นะความต้องการที่แท้จริงเราหิวเราก็ทานอาหารเนี่ยแต่มันไม่เพียงพอที่จะสนองความโลภของมนุษย์ ปรัชญาเศรกษกิจพอเพียงมุ้งสนองความต้องการที่แท้จริงให้รู้จักพอให้รู้จักอิ่มแล้วมาหาความสุขทางจิตใจเพราะมิฉะนั้นแล้วทรัพยากรเท่าไรในประเทศมันก็ไม่พอสนองความโลภรวยแล้วมันหยุดเมื่อไหร่ล่ะแล้วไอ้ทุจริตคอร์รัปชันมันไม่ได้มีในคนจนอย่างเดียวคนมั่งคั่งก็ทำเพราะไม่รู้จักพอฉะนั้นให้คนนี่พออยู่พอกิน สนองความต้องการที่แท้จริงอย่างมหาธรรมะคันทีว่าและมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพมันจะไ ม, ม่เบียดเบียนกันและการไ ม, ม่เบียดเบียนทำลายทรัพยากรธรรมชาติทั้งชาตินั้นถ้าสรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของธรรมะมันก็จะมีอยู่สคมขัความพอใจที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจคือความสุขใจ 2. ต้องพอดี รู้จักประมาณพอเหมาะนะในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมบริโภคพอประมาณรู้จักว่าควรมีรายได้มีรายจ่ายมีรายเหลือและสุดท้ายให้เกิดความพอดีมัชชิมาปฏิปทาหมายความว่าการพัฒนาต้องไม่สุดตรงไม่พัฒนาวัตถุจนลืมความสุขทางจิตใจไม่พัฒนาจิตใจจนทิ้งความสุขทางเศรษฐกิจ ความพอดีพอมีพอกินไม่ใช่อดตายเพราะฉะนั้นสพอเนี่ยพอใจคือความสุขพอเหมาะคือเทคโนโลยีการลงทุนนกน้อยทำลังแต่พอตัวยืนอยู่เป็นขาตัวเองที่ทรงพร่ำสอนแล้วก็ให้พอดีคือใส่ใจทั้งเรื่องจิตใจทั้งเรื่องวัตถุก็จะทำให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น s ustainable development เป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนเพราะเราจะไม่เบียดเบียนธรรมชาติไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์มันก็จะไปเป็นเรื่องของมั่นมั่งเอมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนนั่นเองในเรื่องอยู่ให้เห็นพระองค์ไม่ได้สอนอย่างเดียวในเรื่องของการรู้จักพอแม้จะทรงเรียกว่ามีทุกอย่างแต่ไม่ฟุ่มเฟือยอย่างหลอดยาสีพระทนเนี่ยเราก็เอามาแสดงเป็นตัวอย่างเป็นเหมือนยอดของภูเขาน้าแข็ง่ นิดเดียวเลยไอ้ที่อยู่ใต้น้ำเยอะแยะสิ่งที่พระองค์ได้ทําแต่เราไม่รู้เนี่ยมากมายยาสีฟันนี่ก็เป็นเพียงหลอดยานี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงถึงความพอเพียงของพระองค์ใครได้เข้าไปในวังสวนจิตจะแปลกใจมากในสมัยของพระองค์ท่านอาตมานี่เข้าไปสอนโรงเรียนสวนจิตไปให้โอวาดไปอะไรต่างๆแกเด็กเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะพาทัวร์นะพาดูในวังสวนจิตปรากฏว่ามีอะไรท่าน ไปดูวังมีแต่ต้นไม้มีแต่โครงการหลวงมีแปลงน า, า, นามีโรงช้างไอ้ที่แปลงนาเนี่ยจะมาแปลกใจมากเพราะว่ามีคนใส่ง้อไปนั่งอยู่ริมคานาถือเคียวด้วยก็ถามเจะนะ้าหน้าที่วังบอกว่านี่เอาใครมา แ, แสดงเป็นชาวนาเหรอบอกไม่ใช่นี่ชาวนาจริงๆในหลวงทรงทดลองเขาเรียกผสมพันธุ์ข้าวกล้าเนี่ยพันในข้าวเปลือก แล้วทรงทดลองหวานปลูกในนานี้เอาชาวนา ม, มาทำนาจริงๆได้ผลผลิตเป็นข้าวเปลือกก็ไปหวานที่สนามหลวงในวันแรกนาขวัญ น, นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งว่าทรงใช้แม้แต่ที่ของพระองค์นี่เป็นที่ทดลองทฤษฎรีใหม่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนฝรั่งเข้ามาทำสกู๊ปข่าวเกี่ยวกับในหลวงในช่วงนั้นไปเห็นวันสวนจิตบอกว่านี่เป็นเรื่องแปลกมาก กษัตริย์หรือคิงในสมัยในเรื่องที่เราได้ฟังมาในนิยายเนี่ยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีรักชูรี่มีสิ่งบำเรอบำรงบำเรอสำเริ่นสำราญมากมายแต่กษัตริย์ไทยคิงภูมิพลอยู่อย่างสมถตากมากไม่เหมือนกษัตริย์ในเทพนิยายเลยเพราะทรงทำอย่างนี้จึงเป็นมหาราชในดวงใจของคนฝรั่งเขาเขียนไว้ยอย่างนั้นข้อที่สม ที่พอให้รู้จักแบ่งคาว่าพอรู้จักแบ่งเนี่ยหมายความว่าอย่างไรที่จริงถ้าเราวิเคราะห์ดีๆในโครงการตามแนวพระราชดำริสี่พันกว่าโครงการเนี่ยพระองค์บอกว่าไม่ได้ทาเองนะไม่มีเวลาหรอกเพราะฉะนั้นแม้แต่คิดเนี่ยว่าให้คนไปทำเนี่ยพอพูดปุ๊บคนก็บอกเป็นแนวพระราชดำริก็ออกไปทาจริงๆพระองค์คิดพ0กป อีก 90% เนี่ยคนอื่นคิดท่านคงเห็นนะอ่านให้ฟังก็ได้นี่เป็นพระราชำดำรัสในปี2อ3 9อเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริก็คือการแก้ปัญหาต่างๆได้คิดเองส่วนหนึ่งแต่ว่ามีอีกส่วนที่เป็นส่วนใหญ่ที่คนอื่นได้ช่วยคิดคนอื่นได้ช่วยปฏิบัติซึ่งจะว่าไปเราคิด 10% เ์ คนอื่นคิดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าโครงการพระราช ด, ดำรินี้ทำส่วนหนึ่งคือมีดำริแล้วคนอื่นก็ไปทำถ่านลองนึกวาดภาพสิว่าในหลวงเนี่ย เ, เคลื่อนไหวเขาเรียกว่าอันอันมูฟมูฟเวอร์นะครับพระองค์ทรงทำให้ประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวหมุนไปตามพระองค์เนี่ยเหมือนพระอาทิตย์นะนะอยู่ตรงกลางของจักรวาลแล้วดาวเคราะห์ทั้งหลายก็โคจร พระอาทิตย์อยู่นิ่งแล้วดาวเคราะห์นี่หมุนแค่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นี่ประเทศมันไม่เคยหยุดเลยนะมันหมุนไปตลอดเลยรอบพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการในพระราชะดำริหรือการทำงานตามรอยพระยุคลบาทบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในโครงการหรอกแต่ว่าทำดีถวายในหลวงวันที่ห้าธันวาคมนี่ญาติโยมไปพุทธมณฑลไปตามวัดบวชชีพรามณ์บ้าง บวชพระบ้างถวายเป็นพระราชจงกุศลแค่พระองค์อยู่นี่มันทำให้เกิดการทำความดีเนี่ยปลูกพืชปลูกต้นไม้วันเฉลิมพระชนอะไรต่างเนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดและคนที่มาอาสาท ร, รเนี่ยเราเรียกว่ารู้จักแบ่งพระองค์สอนโดยไม่ต้องพูดไม่ต้องเรียกร้องนะแต่ก็ประกาศว่าจริงๆเนี่ยพระองค์ได้รับไ อ, อ, อการ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากพระสงนี่ก่อนเนี่ยเกร์เไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนมาขับเคลื่อนอย่างที่เราได้ยินใส่รถไฟเนี่ยมันมาจากที่พอทรงให้รู้จักแบ่งปันและเมื่อแบ่งปันแล้วในรัชการปัจจุบันอยากจะเสริมต่อรัชการที่10ทําให้เกิดจิตอาสาอันนี้ตรงตัวเลยแหละการที่พอให้รู้จักแบ่งเนี่ยในหลวงท่านรัชการที่9้าได้ทําไว้ และไม่ควรหยุดแค่นั้นออกมาสิท่านมาทําจิตอาสาอย่างที่เราได้อาสาช่วยในหลวงราชการที่9 90% แห่งงานของพระองค์ท่านเนี่ยสําเร็จมาจากพวกจิตอาสาทั้งสิน้นซึ่งเมื่อกี้ได้ยินท่านรัฐมนตรีช่วยกเกษตรบอกว่าในหลวงได้ตราสกับผู้ที่ทํางานสนองเป็นจิตอาสาว่ายังไงทํางานกับเราไม่มีอะไรให้ได้ยินบ่อยประโยคนี้จากท่านสุเมศก็ได้ยินและก็ตรงกันว่า ทำงานกับเราไม่มีอะไรให้นอกจากความสุขที่ได้ทํางานเพื่อคนอื่นร่วมกัดประโยคนี้ได้ยินอยู่เป็นประจำมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรให้แล้วทำไมไปทําเขาเรียกว่าจิตอาสาไงจริงๆเนี่ยจิตอาสาเนี่ยทรงเริ่มไว้โดยไม่ต้องพูดเลยแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยมาจนทุกวันนี้จิตอสาสานี่กเ็เป็นการสมัครใจนะสิ่งที่เราทํา ในสมัยราชการที่เกาเนี่ยเราลองไปดูว่าคนที่มาทํางานเขามีจิตอาสาเพราะอะไรเขาสมัครใจทํางานเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินและสิ่งอื่นใดซึ่งก็ตรงกับพระพาลราชดำรัสว่าทํางานกับเราไม่มีอะไรให้เพราะไม่มีอะไรเป็นผลตอบแทนมีแต่ความสุขความสุขใจที่ได้ทําเพื่อเ พ, เพื่อประโยชน์สุขของคนเป็นอันมากโดยทํางานร่วมกันฉะนั้นจิตอาสา ที่พระองค์เรียกว่าอาสาสมัครในการที่9นี่ดูพระราชดำรัสของพระองค์พระองค์ตรัสถึงพว ก, กจิตอาสาเนี่ยอาสาสมัครว่าจะต้องระลึกอยู่เสมอว่าศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตัวเองไม่มีใครบังคับไม่มีการเกณฑ์มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัครมีศรัทธาที่จะทํางานมีเวลาที่จะปิบงานปฏิบัติงานและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร เราได้ทำอยู่แล้วและก็สรุปเป็นจิตอาสาในสมัยปัจจุบันในรัชการปัจจุบันที่เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะในสมัยรัชการที่9ก็ดีรัชการที่10ก็ดีที่พอให้รู้จักแบ่งคือจิตอาสานั่นเองจะมีลักษณะ4ประการด้วยกันประการที่หนึ่งเป็นการเสนอตัวเข้าร่วมทากิจกรรมดังที่เราเดินตามรอยพายุคลบาศ ไปสนองงานบ้างอะไรบ้างแม้แต่ไม่ได้สงใช้เลยนี่เราเสนอตัวนะเข้าไปทำงานร่วมกันแล้วข้อที่สองซึ่งงานนั้นเป็นประโยชน์สุขของสังคมของส่วนรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งและข้อที่สามเราสมัครใจเต็มใจไม่มีการเกณฑ์กันมาบัตรคับกันมาแล้วข้อที่ ส, ส, กกสี่ไม่หวังผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นเกียรติเป็นกล่องเป็นอะไรก็ตาม เราจึงเรียกว่าจิตอาสาซึ่งในรัชการที่สิบก็มีเาขาเรียกประชาชนจิตอาสาที่พอให้รู้จักแบ่งนี้เองและเป็นการทำความดีด้วยหัวใจทำความดีด้วยใจคือไม่หวังผลตอบแทนนในเรื่องของจิตอาสาข้อสุดวิธีแสดงน้ำใจของจิตอาสาก็มีหลายวิธีเช่นการให้การ ให้คําแนะนําด้วยปิยวาจาด้วยการอัตจริยานะีก็คือช่วยแบกช่วยหามช่วยลอกคลองแล้วก็อัตจริยาและสมาณะตาก็คื อ, อมีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขไทยไม่สบายเราแค่ไปเยี่ยมไข้ก็เป็นจิตอาสานะเหมือนกับคนที่ไปร้องเพลงนะแต่มาคือได้ยินไทยร้องเพลงเนี่ยไปร้องเพลงให้คนป่วยตามโรงพยาบาลเนะี่ยเขาจิตอาสานะเขาไม่ได้จ่ายเงินจ่ายทองไม่ได้ อะไรบางอ่าอาจจะเป็นปียกวาจาแต่เขารับรู้ความทุกข์ของคนอื่นได้มามีส่วนร่วมก็เป็นสมานะตาตาให้เกิดเซนส์ของบิลล็อกกงเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นในยามวิกฤตน้ําท่วมประเทศไทยเนี่ยคนไทยก็จะออกมาช่วยกันบางทีไม่มีของอะไรก็ไปปลอบใจมีการบริจาคเงินทองจนกระทั่งไปช่วยพายเรือก็มีอัฐจริยานะและแม้กระทั่งการไปเยี่ยมไปเย็น ไ, ไปดูแลกัน เหล่านี้เราเรียกว่าเป็นวิธีแสดงออกของพอให้รู้จักแบ่งในภาษาพระเขาเรียกสังขาวัตถุสี่ก็คือเรื่องที่ว่ามานี้เองและเราถือว่านี่คือเป็นโซเชียลแคปิตอลเป็นทุนทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยคนไทยมีน้ำใจเมื่อเศรษฐกิจตกในปี240โลกต้ยมยำกุ้งเนี่ยธนาคารโลก่วงเหลือเกินว่า ประเทศไทยจะเกิดวิกฤติมิคสันยีเพราะว่าข้าวยากหมักแพงแต่ที่ไหนได้เราไม่เป็นเหมือนออเรเจนตินาที่ไหนเลยธนาคารโลกบอกว่าเพราะประเทศไทยมีเซฟตี้เน็ตเซฟตี้เน็ตคือตา่ถ่นิรภัยที่ขึงไว้เยนะเวลาคนเล่นกายกรรมข้างบนตกลงมานี่ไม่ตายเพราะมันมีเซฟตี้เน็ตเวลาเศรษฐกิจตกเนี่ยคนไทยไม่ตาย น, ะน้ำท่วมก็ไม่ตายอะไรก็ไม่ตายเพราะว่าคนไทยมีน้ำใจไง เรามีสิ่งที่เรียกว่าจิตอาสาเรามีสรรพวัตถุสี่นี่แหละคอยดูแลซึ่งกันและกันและตรงนี้แหละที่ทําให้การพัฒนาชนบทแม้ไม่มีเงินไม่มีทองมันก็พัฒนาไปได้เพราะคนอาสากันคนละไม้คนละมือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีอยู่กับสังคมไทยเมื่อเกิดสินามิที่ภาคใต้ฝรั่งได้ไปบันทึกว่าคนไทยไม่รู้มาจากไหนมาช่วยเขานี่คือสิ่งที่เป็นโซเชียลแคปิตอลบางทีเงินก็ซื้อไม่ได้ ในเรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้และเราไม่ควรลืมแบ่งก็ให้เป็นธรรมแบ่งให้เป็นธรรมนี่แหละมันถึงทําให้เกิดรู้รักสามัคคีไอ้ที่เราแตกความสามัคคีเพราะมันไม่แบ่งให้เป็นธรรมมีผลประโยชน์ก็ได้แต่เฉพาะพวกพ้องบางกลุ่มบางฝ่ายมันไม่มี distribution นะการกระจายที่เป็นอนะีควอลอี q u a l distribution การกระจายที่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นเงินก็ไม่ไม่มีการแบ่งให้เป็นธรรมอย่าว่ายัางน้นยังเลยเล ย, เลยแม้แต่อำนาจก็ต้องกระจายให้เป็นธรรมมันจึงไม่มาแย่งอำนาจกาันไม่แย่งอาหา ร, ก, า ร, ก, ารกันกินไม่แย่งทินกันอยู่ไม่แย่งคู่กันพิศวรรัสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่ในหลวงอยู่เนี่ยเหมือนกรรมการกลางใช่ไหยท่านเวลาแย่งอำนาจกาันทะเลาะกานันนี่ลูกตีกันในหลวงออกมาห้ามทัพถามว่าตอนนี้ใครจะมาช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเราเองโดยการที่ กำหนดกติกาในการแบ่งผลประโยชน์กระจายอำนาจให้เป็นธรรมที่ทรงสอนว่ารู้คือทราบความหมายของสามาคัคคีรักก็คือนิยมความสามาคัคคีรู้ว่าสามัคคีดีอย่างไรรักความสามาคัคคีแล้วก็จับมือกันทำงานอันนี้แหละเราก็จะอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนศาสตราชาให้ครบมาถึงเรื่องแบ่งให้เป็นธรรมเพราะฉะนั้นถ้าท่านดู ประวัติของพระองค์เนี่ยนะย้อนไปในปี 2,509 อาตมาไปอเมริกาไปได้นังสือเล่มนี้มาของ Time Magazine นขึ้นปกในรูปในหลวงกับเด็จพระนางเจ้าเนเพราะตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยถูกคุกคามด้วยภัยคอมมิวนิสต์แล้วมีสิทธิ์ที่ประเทศไทยจะล้มเป็นโดมิโน่ก็เราก็คงทราบนะล้มเป็นคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่ จีนเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวกัมพูชาและมันก็จะมาถึงประเทศไทยแต่ไท m a g a z ซ n e บอกว่าประเทศไทยอาจจะตอนนั้นยังยังตอบไปได้นะอาจจะต้านโดมิโนโไว้ได้เพราะมีโ o ้เดอร์ออฟเดอะคิงดมมีสวนศูนย์นรวมใจของชาติคนไทยของพระองค์เป็นสตริ n ออฟเดอะแลนด์เป็นภูมิพลังของแผ่นดิน ที่รวมพลังคนทั้งประเทศเนี่ยต้านทฤษฎีโดมิโนโ่และในรุ่นของเราก็ได้เห็นว่าทรงทรรมสำเร็จซึ่งถ้าไม่มีพระองค์นะท่านนะนะเหมือนกับเป็นฮีโร่เป็นเป็นคนคนเดียวที่รวมคนทั้งหมดเนี่ยบางทีประเทศไทยก็จะต้องเป็นไปตามทฤษฎีโดมิโ น, โน่นหลังจากที่ไส้งอนแตกลาวกามัมพูชามันก็จะมาถึงประเทศไทยของเราฉะนั้น ทายแมกกาซีน uh, เนี่ยที่เขาคาดการไว้ก็ถูกต้องมีผู้สื่อข่าวบ b c ไปสัมภาษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ในช่วงนั้นเพราะว่าพระองค์เนี่ยเป็นศูนย์รวมใจของอประชาชนสเสด็จไปที่ไหนก็ตามจะมีอาสาสมัครจิตอาสาเนี่ยมาช่วยงานของพระองค์ในการพัฒนาประเทศไม่ว่าพระราชวังเหนือใต้าภาคอีสานอะไรก็ตามในที่สุด ผู้สื่อข่าวบ b c ก็ถามถามสัมภาษณ์พระองค์เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษว่าทำไมต้องลงมาพัฒนาอย่างนี้คิดว่าพระองค์จะเป็นฝ่ายชน ะ, ะหรือนี่คือคำถามเป็นภาษาอังกฤษแทนที่พระองค์จะตอบตรงๆนะในหลวงของรัชการที่ก้าทรงถามผู้สื่อข่าวซึ่งคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะทรงถามว่า winning against whom ชนะใคร ที่อุตสาห์มาพัฒนาประเทศนี่คิดว่าจะชน ะ, ะหรือในหลวงแทนที่จะบอกว่าแพ้หรือชนะตอบถามว่าไงในหลวงในการที้าบอกว่าชนะใครแล้วฝ่ายถามก็เลยบอกว่าชนะคอมมิวนิสต์ได้หรือไม่ดูคำตอบนะในปีนั้นที่ประเทศกำลังรุนแรงเนี่ยคำตอบนี้มันคือความยุติธรรมพระองค์บอกว่าไม่ได้คิดว่าจะเอาชนะใครนะที่มาพัฒนานี้ก็เพื่อต้องการเอาชนะความหิวโหวย ของประชาชน winning against hunger of people ถ้าเอาชนะความหิวโหยของประชาชนได้ประเทศเขาพัฒนาขึ้นและเมื่อประเทศพัฒนาขึ้นกลุ่มบุคคลที่คุณเรียกว่าคอมมิวนิสต์ก็น่าจะพอใจนะนี่คือวิธีของพระองค์นะซึ่งไม่ได้แบ่งแยกพระสนิกรเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ต้องการเอาชนะความหิวโหยเอาชนะความยากจนซึ่งกลับไปอยู่ข้อที่หนึ่งที่ขาด ให้รู้จักเต็มเต็มให้รู้จักพอพอให้รู้จักแบ่งเป็นจิตอาสาแบ่งก็ให้เป็นธรรมทุกฝ่ายก็จะต้องมออีสิ่งที่เรียกกันว่าความรู้จักว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันจารึกพระเจ้าอาโศกนี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจของกษัตริย์ธรรมราชาทั้งหลายซึ่งพระเจ้าอาโศกได้จารึกได้เขียนจารึกว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกของข้า เหมือนกับพระเจ้าประนดินเป็นพ่อหลวงไงเป็นพ่อของแผ่นดินในสมัยพระเจ้าอโศกนี่มีอำนาจล้นฟ้าแต่ประชาชนทั้งหมดเป็นลูกของข้าข้าย่อมปรารถนาเพื่อลูกหญิงชายหญิงของข้าว่าขอเขาทั้งหลายพึงประสบสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขทั้งที่เป็นไปในโลกนี้และโลกหน้าทุกประการฉันใดความปรารถนาของข้าต่อประชาชนทั้งปวงย่อมเป็นฉันนั้นเหมือนกันประโยคนี้ถ้าในหลวงราชการที่9้า รัดได้แบบเดียวกันก็คงรัดแบบเดียวกันด้วยการกระทำํทำทําให้ดูอยู่ให้เห็นเพราะทรงรักทรงห่วงใยพระสพนิกรทุกหมู่เหล่าไม่ว่าชาวเขาชาวเรานะีอย่างที่เราทราบดีในเรื่องการต่อชนะ เ, เรื่องการปลูกฟินการทําไร่เลื่อนลอยนี่ดูแลชาวเขาเหมือนกับลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ และบัดนี้สิน้นราชาการของพระองค์เนี่ยได้ผ่านไปแล้วเราก็จะต้องมารู้รักสามาคัคคีโดยเฉพาะพระบรม ร, ร, ราชธรรำรัฐในวันที่9วมิถุนายน2549ที่พระที่นั่งอนานตสมาคมน่ที่คนไปประชุมกันเป็นแสนน่ตรัสประโยคนี้ขึ้นมาก็คือหนึ่งคิดพูดทำด้วยความรักต่อกันด้วยเมตตาสองเกื้อกูลกันและกันตรงนี้เละแบ่งให้เป็นธรรม ข้อ3ปฏิบัติตามกฎหมายเท่าเทียมกันและข้อ4ปรับความคิดให้สอดคล้องกันไม่แตกแยกกันทางความคิดซึ่งสรุปแล้วเป็นธรรมะที่ทรงนำมาใช้จากสารานิยธรรม4ประการที่จริงมีหข้อแต่สรุปไว้4ข้อ 1. เมตตาคิดพูดทำด้วยเมตตาต่อกันเพื่อความเป็นธรรมเราก็จะต้องมีเมตตามีความรักต่อกันสอง เกื้อกูลกันและกันเขาเรียกสาธารณโภคีเนี่ยแบ่งให้เป็นธรรมสาธารณทุกคนคนอื่นรักสุเกลียดทุกข์ฉันใดเรารักสุขเกียดทุกขฉันใดคนอื่นก็รักสุเกลียดทุกฉันนั้นเราต้องการให้เขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรเราก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นเป็นธรรมก็คือสาธารณโภคีแบ่งอย่างเป็นธรรมเกื้อกูลกันและกันข้อ 3. มีปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบเท่าเทียมกันเสมอกันนี่ก็เป็นธรรมนี่ เป็นธรรมตามกฎหมายไงไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ดไม่มีสองมาตรฐานนี่คือข้อสมาจากภาษาธรรมะว่าศีละสามั ญ, ญตารักษาศีล5เท่ากันไม่ใช่ว่าแต่งงานกันรเรารักษาศีล5ข้อแต่อีกคนหนึ่งสข้อยกเว้นข้อกามเมีอย่างนี้ก็ไม่สีละสามั ญ, ญตาไม่รักษาเรื่องอการแต่งงานไม่นอกใจกันข้อที่4ตับความคิดให้มีเหตุผล จูนความคิดให้เหมือนกันเราเป็นลูกของพ่อองค์เดียวกันพ่อหลวงเพราะฉะนั้นจะต้องมีทิฏฐิสามัญญาตามีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้เรียกว่ามีทิฏฐิสามัญญาตาเมื่อเราทำสิ่งใดก็มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันไม่ใช่สร้างดาวคนละดวงนี่คือพระราชดำรัสที่ประธานในวันที่หกปีของราช ก็คือคิดพูดทำด้วยเมตตาแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมปฏิบัติกฎหมายเท่าเทียมกันและคิดให้เหมือนเหมือนกันคือความเป็นธรรมแล้วสังคมไทยก็จ ะ, ะยั่งยืน ม, มั่นคงมั่นค ง, งยั่งยืนบัดนี้พระองค์หาไหมแล้วเราก็จะต้องศึกษาพระราชชจริยาวัดของพระองค์สะท้อนแนวความคิดแนวพระราชดำริแล้วก็ออกตกผลึกเป็นศาสตร์พระราชาที่ขาดว่าตรงไหน ขาดแล้วเราจะเติมให้เต็มอย่างไรเต็มแล้วสอนให้รู้จักพอกันแล้วพอให้รู้จักแบ่งเป็นจิตอาสาแบ่งก็เป็นธรรมก็จะเกิดความสามคัคคีเมื่อพระองค์ยังอยู่นั้นเป็นเสียงเตือนให้กับพวกเราตามที่พระเจ้าตรัสว่าอัปมาตโตปรมตรเตสุสุตเตสุพระหุชาคโรเมื่อคนทั้งหลายประมาทบัวเมาพระองค์ไม่ประมาท เมื่อคนทั้งหลายพากันหลับไหลนคนไทยหลับไหลประมาทมัวเมาพระองค์ตื่นอยู่เสมอเตือนสติพวกเราพระองค์จึงเหมือนกับมา้าฝีเท้าดีนําหน้ามา้าฝีเท้าเลว็วพวกเราบางทีตามไม่ทันกว่าจะตามความคิดของพระองค์ก็ท่งล่วงลับไปสู่สวรรค์คาลัยแล้วเหลือร่องรอยแห่งการกระทําและความคิดให้เรามาศึกษาและตกผลึกเป็นศาสตร์พระราชา ซึ่งคงจะต้องทำเป็นงานใหญ่แล้วออกมาให้ครบงานทั้งชีวิตของพระองค์ที่ทรงกระทาและนั่นก็จะเป็นการวางแผนเดินทางให้กับประเทศไปสู่อีกระดับหนึ่งของการพัฒนาแต่ต้องไม่ทิ้งศาสตร์พระราชาไม่ทิ้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ ขอคุณพระศรีรันตนัยและกุศลความดีอันเกิดจากความจงรักภักดีนี้จงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอํานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในชีวิตประสบความสําเร็จในการตกผลึกความคิดเรื่องศาสตร์พระราชานําปาประยุกต์เพื่อความเจริญสถาพรของประเทศชาติพระศาสนาปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ให้สําเร็จ สมมโนรถมงมาปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทินสาธุกราบกบ